เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเนี่งานใหญ่ที่พวกเราชาวพุทธจะต้องเรียนเนี่อาภัพเหรือเกินาศาสนาพุทธเรานะมันศาสนาของคนซึ่งต้องใช้สติใช้ปัญญามากเนศาสนาของคนที่ต้องพึ่งตัวเองมากนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถรองรับพระพุทธศาสาศนาไว้ได้จิตคนส่วนใหญ่เนี่ย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 ท่านบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาตัวเดียวเนี้ยอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลไม่มีทางอกปัญญาไม่ใช่ความฉลาดปัญญาเป็นความเข้าใจของจิตสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเีเครื่องมือสําคัญสองตัวเนี้เราต้องพัฒนาขึ้นมาในใจเราให้ได้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 เอาชีวิตนี้ก็ได้ในชีวิตเนี้ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเคยได้ฟังธรรมกี่ครั้งระหว่างการได้ยินได้ฟังธรรมนะกับได้ยินได้ฟังเรื่องที่เป็นอาธรรมเนี่ยอันไหนยเยอะกว่ากนันวันวันหนึ่งแค่เปิดทีวีนะก็มีแต่เรื่องอาธรรมเต็มไปหมดแล้วเรื่องที่ยั่วกิเลสนนะเรื่องที่จะบอกให้เรามีสติมีปัญญาอะไรนะหายากมาก หรือเรานั่งรถหลวงพ่อมาจากชนบุรีผ่านมอเตอร์เวย์มามีคัทเอาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยคัทเอาทั้งหลายนีย่เกือบทั้งหมดย่อกิเลสให้ซื้ออันนี้ให้ไปเที่ยวที่นี้ให้กินอันนี้มีป้ายบอกให้มีสติมีอยู่อันเดียวอยู่ที่มอเตอร์เวย์โอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะมีน้อยมีน้อยมากเลย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 ที่เข้มข้นของการเจริญสติเจริญปัญญานีบอกเงื่อนไขก่อนเวลาฟังธรรมพวกเราต้องสำรวมนะเวลาฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานแต่ท่านบอกว่าให้ธรรมาวิไนเป็นาศาสดาแทนท่านเพราะฉั้นในเวลาฟังธรรมเนี่ยมันมีความสำคัญเหมือนเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลวงพ่อเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ธรรมะของท่านเป็นพระพุทธเจ้า งั้นเราฟังด้วยความสำรวมฟังด้วยความเคารพแต่ไม่ถึงขนาดต้องนั่งพนมมือหรอกแต่ฟังด้วยความรู้สึกตัวนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวฟังด้วยใจที่เปิดกว้างนะแล้วก็อย่าไปรบกวนสมาธิของคนข้างๆเรายุคนี้สิ่งทำลายสมาธินะมีมากเหลือเกินโดยเฉพาะโทรศัพทนะ์พวกเรามีทุกคนอ่ะบางคนมีมากกว่าหนึ่งเครื่องนะสลัเวลา สักสี่สิบห้านาทีนี้ถาวายพระพุทธเจ้านะช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนถ้าใครยังไม่ปิดช่วยปิดก่อนถ้าปิดแล้วระหว่างนี้ก็อย่ายกขึ้นมาถ่ายรูปนะไม่ต้องถ่ายรูปอย่างถ้าเราไปเฝ้าพระเจ้านะก็ถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะท่านคงไม่เทศให้ฟังทำม้ามจะหายไปหมดเราสํารวจนะเราพร้อมหรือยังที่จะฟัง เครื่องมือทำลายสติของคนข้างเคียงทำลายสมาธิคนข้างเคียงนะปิดเสียงปิดเสียงนั่นแหละนะแล้วก็งดถ่ายรูปนะเขาถ่ายไปแล้วไม่ต้องถ่ายเองถ้าอยากถ่ายรูปถ่ายตอนหลวงพ่อตอบคำถามช่วงหลังนะตอนนั้นพวกเรายังเคลื่อนไหวได้วอกแวกได้แต่ระหว่างนี้สำรวมสารวมกายสำรวมวาจาไปเทศบางที่นะ คนคุยกันก็ เ, เคยนิมนต์หลวงพ่อไปเทศให้คนแก่ฟังชมรมผู้สูงอายุพอเริ่มเทศเ ท, ศเทานั น, นะแต่ละคนนะก็ควักตะบันหมากขึ้นมาทำนะแล้วก็คุยกันแจ๊กแจ๊กเลยบอกอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้พระกําลังเทศแล้วก็มาคุยเล่นอย่างเนี้ยมูสาวาดนะพูดในเวลาที่ไม่สมควรพูดศีลดังพร้อยนะเงื้นเวลานี้เป็นเวลาที่พวกเรา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 ประโมทเทศยากเกินไปคารวะนะเทศให้ฟังแค่ทําทานถือศีนก็พอแล้วหรือพามนั่งสมาธิไปแค่นั้นก็ทำไม่ได้แล้วมาเทศถึงขั้นเจริญสติปัญญายากไปกครูบาอาจารย์ปรามาสคารวะขนาดนี้นะหลวงพ่อก็ครับครับครับแต่ไม่เชื่อก็ไมไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นค า, วารวะหลวงพ่อไม่ได้เก่งกว่าพวกเราหรอก แต่ว่าทนนะอดทนในการเรียนในการฝึกตัวเองตั้งแต่เจ็ดขวบไปเรียนกับท่านพอลีพ่อพาไปไปเรียนอนาพนัสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งพูดโทรนับ2ออะไรอย่างี้หายใจอยู่22ปีไม่เลิกเลยเวลาครูบาอาจารย์สั่งให้ทำอะไรเนี่ยทำไม่เลิกฝึกอยู่งั้นแนะแต่ว่าท่านพอีท่านอายุน้อยอายุสั้น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 ใช้เวลาไม่นานหรอกทูปอาจารย์ท่านก็รับรองว่าเข้าใจแล้วละ่ะช่วยตัวเองได้เพราะฉะั้นฆราวาสก็ทําได้นะถ้าเราตั้งใจจะทำฆราวาสเองถ้าเทียบกับพระเนี่ยมีทั้งจุดเด่นมีทั้งจุดได้จุดได้ของฆราวาสก็คือทําให้จริงจังทําบ้างหยุดบ้างบอกว่าจะปฏิบัติทำปฏิบัติได้วันสองวันก็เว้นวักนะเว้นไปเดือนหนึ่งแล้วมาทําใหม่ จุดอ่อนอีกข้อหนึ่งของฆราวาสคือสมาธิไม่มีวกแวกสมาธิสั้นใจฟุ้งสั้นมากเลยแถมมีอุปกรณ์ทําลายสมาธิติดตัวกันทุกคนเลยคือเดี๋ยวก็ลายมาเดี๋ยวก็อย่างโน้นอย่างนี้มานะใจฟุ้งสั้นตลอดเลยนั้นจุดอ่อนของฆราวาสก็คือทําให้ต่อเนื่องแล้วก็ขาดสมาธิวกแวกตลอดเวลาจุดอ่อนของนักบวชก็มีเหมือนกันสงบมากไปสงบมากไปวันๆไม่มีอะไรกระทบหนังเงียบๆไป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 รู้ไหมมาจากไหนชาติปางกอดมาจากไหนรู้ไหมเพราขี้ลบไอขี้โกรธคนไหนขี้โลบบ้างเจออะไรก็ชอบไปหมดเลยเห็นอะไรก็อยากได้ชอปปิ้งไม่เลิกเลยประเภทนี้ยคนไหนฟุ้งซ่านคนไหนฟุ้งซ่านเก่งยกมือเสียที่นี่ออเดอร์ ร, รู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเราถามว่าคนไหนขี้โกรธนะมยกมือเยอะเลยคนไหนขี้โลบยกนิดหน่อย ตรงนี้ไม่เออร์เรอถามว่าคนไหนฟุ้งซ่านยกน้อยยกมากกว่าที่โลบนิดหน่อยอันนี้เพราะว่าดูไม่เป็นถ้าดูเป็นจะพบว่าฟุ้งซ่านเนี่ยนะมีมากที่สุดโมหะเป็นพื้นของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเลยจะโลบได้หรือจะโกรดได้ต้องฟุ้งซ่านนะงันที่บอกว่าไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเขาดูไม่เป็น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 รู้ทันความโลภ ก, ก็จะหายไปแล้วก็มีสติรู้ทันว่าก็หายโลภแล้วจะเห็นอย่างนี้ถ้าคนไหนขี้โกรธนะก็ดูความโกรธเป็นตัวหลักเป็นเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมคือเป็นบ้านของจิตเป็นตัวที่เรารู้บ่อยๆรู้ประจำํำบ้านคือที่เราอยู่ประจําคนไหนขี้โกรธเราก็ใช้ความโกรดนี่แหละเป็นวิหารธรรมเราก็จะเห็นว่าทั้งวันอะจิตมีสองชนิดคือจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธ ถ้าฝึกดูอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้คือหลักที่จะทําให้เราเกิดสติตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนในจิตตานุปัสสนาท่านสอนบอกว่าดูกราพิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะนี่1คู่สําหรับพวกโลบมากดูไปจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้คนไหนที่โมโห ก, ก็ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอน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 เป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะนา่นนามจะเกิดทีหนึ่งเนะมื่อก่อนนะั้นหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งมันดือด้อๆประเภทดือ้อกรมพันธุ์เลยนะสอนเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ดือ้อน้ําเที่ยงทุกเรื่องเลยหลวงพ่อบอกให้มันรู้ความรู้สึกงตัวเองนะมันบอกมันจะหาเครื่องอยู่เฉพาะตัวถ้าฟ้าร้องมันจะรู้สึกตัวบอกมันจะได้เรื่องเลยเองเอ้ยปีหนึ่งฟ้าร้องกี่ทีนะทําไมไม่ดูของที่พระพุทธเจ้าให้ดูนะ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 ข้างไหนก็ได้เอาลืมตาขึ้นมาหายใจแรงๆทีหนึง่งแล้วก็ยิ้มหวานๆยิ้มหวานทีหนึง่งเห็นไหมเห็นไหมจิตกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วเห็นมยิ้มหวานๆจาไม่นานนี่เคล็ดลับนะทำไมยิ้มหวานๆแล้วใจมันกลับเข้ามาความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าใจเรามีความสุขนะแล้วก็มีสติเรารู้ว่าร่างกายกำลังยิ้มอยู่เนี่ยใจมันจะกลับเข้ามา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 เป็นคนละอันกันเวลากเกิดความกโกรธขึ้นมานะใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นว่าความกโกรธกับใจเราเนี้ยเป็นคนละอันกันตรงเนี้ยที่เรียกว่าการแยกขันนะถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้นะหลวงตามหาบัวสอนเลยนะฟันธงเลยนะว่าอย่ามาคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญาถ้าจะเจริญปัญญาเนี้ยต้องแยกได้อย่างเห็นว่าความสุขกับจิตเนี้ยเป็นคนละอันกันนะความดีกับความชั่วทั้งหลายเนี้ยกับจิตเนี้ยก็คนละอันกัน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 มีอยู่บทหนึง่งแฉมได้แม่รู ป, ปังอนิจจังเวทนาอนิจจาใช่ไหมแล้วก็กระโดดขึ้นเลยรู ป, ปังอนัตตาใช่สงสัยแม่ทำไมไม่มีรู ป, ปังทุกขังอะเนี่ยตรงนี้ไม่มีทุกข์ใช่ไหมเพราะอะไรการสอนเรื่องขัน5เนี่ยในขัน5นะมีรูปหนึ่งมีนามนธรรม4ขัน5เนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าใช้สอนพวกที่ชอบดูจิตนะถ้าดูกายจะสอนอายตนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นส่วนของรูปธรรมนะ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 ยิ่งจิต ท, ทรงสมาธิจิต ท, ทรงชาญนะโอ้ดูยากที่สุดเลยนะงั้นเราหัดดูไปนะเราจะให้เห็นหองพ่ะจะพูดภาษาไทยที่ง่ายๆแล้วนะนี้พูดวิชาการชักจะมากไปเดี๋ยวยองงเวลาเรามองเห็นใจเราโกรธขึ้นมาให้รู้ทันแล้วเราก็จะเห็นว่าความโกรธมันเกิดได้เองแล้วอยู่ไม่นานมันก็หายไปนะเวลาเราได้ยินเสียงเราเกิดชอบใจเนี่ย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 ไปพูดล่อลวงเอาทรัพย์สมบัติเขาก็ทำได้ใช่ข้อสเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญนะไปทาภาทำผิดศีลได้ทุกข้อ เ, เป็นเครื่องมือของการทำผิดศีลได้อย่างดีเลยนะถือศีลหแล้วทุกวันต้องฝึกกรรมฐานขอเวาลา15นาทีถวายพระพุทธเจ้าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะ15นาทีแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์สองสนาทีพอแล้วอย่าสวดยาวยกเว้นจะใช้กรรมฐานสวดมนต์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 ไม่มีน้ําร้อนอะเครื่องทําน้ําร้อนน้ําอุ่นอะไรอาบเนี่ยอาบน้ําในตุ่มเนี่ยหน้าหนาวแค่เห็นตุ่มใจก็กลัวแล้วนะเห็นแล้วสยองอนะ่ะเนี่ยสยองรู้ว่าสยองแล้วอาบไหมก็ อ, อยู่ที่เหตุผลสมควรอาบก็ อ, อาบก็เท่านั้นเองได้นะฝึกอย่างนี้นะแล้วในเวลาไม่นานเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างนะไม่ใช่เรื่องเดือวิสัยที่พวกเราจะทํา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 เหมือนเหมือนม่วงอะค่ะ ม, <อ>มันมันโมหะครอบเพราะว่าหนูเริ่มต้นโดยการจะให้มันสงบนแล้วมันน้อมใจไปใจมันเคลื่อนไปลองนั่งซิเนี่ยไม่ทันไรก็เริ่มน้อมละสึกไหมถ้าน้อมอย่างเนี้ยพอออกมาช่วยเป็นงนี้ออกมาแล้วก็อย่างนี้เพราอะไรเพราะตอนเริ่มต้น อ, อ่างเนี้ยพอลืมตาขึ้นมาก็เลย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 มันพยายามจะให้ดิ่งเพื่ออะไรคิดว่าสมาธิจะเกิดเมื่อจิตมันดิ่งๆิอย่างนี้ยเลยช่วยมันมุดลงไปโมหามจะเข้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะหลับตาจะลืมตาก็รู้สึกตัวไว้ถึงเวลาจิตมันสงบของมันเองเวลาจิตสงบนะมันยังรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่นะ้ําสว่างสวัยมันไม่ไม่ซึมเลยไม่มืดหรอกของหนูนั่งไปว่ามันมืด ข้อแนะนําวิธีการแยกขันธ์ห้าที่เป็นนามธรรมอะค่ะ<า>เห็นไหมตัวอะไรอ้าปากเห็นไหมตัวอะไรพูดอยู่เ ห, หยเห็นไหมตัวอะไรขยักหน้าเนี่ยหายใจเห็นไหมตัวอะไรหายใจลองขยับมือสิขยับเห็นไหมตัวอะไรขยับมือใจมันเป็นคนดูลองยิ้มสิยิ้มหวานเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มไหมใจเป็นคนดูเนี่ยฝึก อ, อย่างนี้ของหนูทําอะไรหนูเพ่งหมดเลยนะยกเว้นยิม้มหนูสังเกตไหม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 อย่าไปให้เคลิมอย่าให้ลืมเนื้อลืมตัวหายใจแรงๆทีสิเออดเนี่ยก็รู้สึกไปอย่างเนี้ยนะรู้สึกไปสบายๆอย่าให้มันเคลิม้มแมเนี่จิตใต้สํานึกทํางานอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่เอาเลยนะมันขาดสติมันมีสมาธิแต่มันขาดสติ<ะ>สมาธิที่ขาดสติคือมิจฉาสมาธิ<ะ>แล้วหนูควรจะต้องปรับปรุงหนูเคลื่อนไหวไหมไปทํางานปกตินะ่ะ ทำงานบ้านนะรดน้ำต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงนี้ยทำงานไปกวาดบ้านถูบ้านนะแล้วก็เคลื่อนไหวเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูไม่ต้องทำช้าช้านะทำปกติเลยเดินก็เดินปกตินั่งก็นั่งปกติอย่าทำใจให้ซึมเคลิ้มลงไปไม่งั้นจะติดพอติดแล้วมันสบายนะมันเหมือนคนติดยาอะไก็เคลิ้มอยู่ทั้งวัน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 ช่วงที่ผ่านมาก็คือเคยขยันนะคะเคยเดินจงกรมเรื่อยๆ mm hmm. แล้วก็ที่ผ่านมาสักระยะหลังๆเนี่ยรู้สึกตัวเองแล้ขี้เกียจแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบไม่ได้ทําตามรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อ mm hmm. ก็ได้แต่ก็ไหว้พระสวดมนต mm ์ hmm. แต่ช่วงเดินจงกรมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสมาธิ M ัดีหรือว่ามีสติในชีวิตประจา mm ําวันนะคะตัวเนี้ยที่หลวงพ่อบอกไงว่าคารวะนะมีชุดอ่อนโตทำไม่ต่อเนื่องทําบ้างหยุดบ้างนะมันการปฏิบัติ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 เราต้อฝึกให้จนกระทั่งมีปัญญาเกิดขึ้นนะอย่าเอาแต่สงบน ะ, ะอย่าไปให้จิตไปอยู่ที่เทา้าค่ะให้รู้ทั้งตัวนะคะรู้สบายๆรู <ขา S 1> ้ได้ใจที่ผ่อนคลายน ะ, ะต่อไปหลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมคะว่าที่เดินตรงกลมหรือว่าต้องทําแบบไหนให้ถูกกจริตตัวเองอะคะ่ะหนูเดินไปหนูดูไกลนี่แหละถูกแล้วเรารักสวยรักงามดูไกลอย่างนี้ถูกแล้วถูกจฉลี่ยแล้วดูไกลก็ยังดูไม่ค่อยเป็นก็ทราบว่ามันยังไงมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมไอ้ตัวนี้พูดอยู่เนี่ย ดูไปเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอ๋อค่ะนะดูเหมือนดูคนอื่นไปเห็นไหมตัวเนี้เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราหรอกแล้วถ้าดูจิตนะคะหลวงพ่อดูจิตเราก็ดูจิตมันทํางานเองเดี๋ยวมันก็สุขสเดี๋ยวมันก็ทุกข์<ส>เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายอ๋อคืออันไหนเด่นก็ให้ดูตัวนั้นก่อนใช่<ค>ตัวไหนเกิดขึ้นก็ดูตานั้นถ้าใจถ้ามันนิ่งๆเฉยๆเราก็เปนนิ่งกรู้ว่านิ่งะแต่ถ้าดูแล้วงงก็มาดูกาย ก็เห็นร่าง<ด>ก<ร>ายหายใจมันยืนอยู่มันนั่งอยู่มันกําลังพูด อ, อ, อะไรดูอย่างนี้ไงนะเทียบให้ฟังนะบางคนนามนานพระนสติเนี่ยรู้อยู่ที่ลมหายใจนะไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนั้นได้แต่ความสงบเป็นสมถะเป็นกสินลมจนท้ายลมดับร่างกายเป็นแสงนะเป็นปฏิภาคนิมิตเข้าฌานไปแต่ถ้าเราจะฝึกหายใจแล้วให้เกิดความรู้สึกตัวมีสมาธิแบบตั้งมั่นอนะเราเห็นร่างกายหายใจ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 สัเกตไหมอยู่ดีๆใจก็เบิกบานขึ้นมาค่ะเ้าบอกว่าไม่ก้าวหน้าฮะค่ะแล้วนหนูเาถูกแล้วนะหนูเห็นไหมว่าไก่ก็อันหนึ่งใจก็อันนึ่งค่ะขันมันแยกแล้วความสุขทุกข์ดีชั่วมันก็แยกนะต่อไปนี้การปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงจุดที่สบายแล่ะมันลําบากมากเลยกว่าคนคนหนึ่งจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นะแล้วก็ขันแยก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 ถ้าไม่ชอบหายใจก็สวดมนต์ไปชอบสวดมนต์ไหมออหนูสวดชินบัญชรวันนะเสพครั้งแล้วบางทีก็กลับมาเป็นผ<อ>ู้โทแต่เป็นผูโน้โธนแน่นมากเอาไาที่ไม่แน่นอ่ะค่ะสวดชินบัญชรไปแล้วใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขสวดไปแล้วใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นปากก็สวดไปรู้ทานว่าขาดสติหนูเห็นว่าฟุ้งบ่อยมากเลยหนูเลยรู้สึกนั่นแหละดีค่ะ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 ให้มันดีนะจงใจไปดูไม่พัฒนาหรอกเครียดพาวนาห้ามเครียดนะพาวนาต้องมีความสุขถ้าไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิด ก, ก็ น, นั น, นก็วันหนึ่งก็ดูดูนานนานดูทีเหมือนเออ น, นังง่นแหละที่ไม่ก้าวหน้าก็ตรงออ น, นานไม่มีไม่มีก้าวนานนา น, นานดูทีต้องอดูบ่อยๆต้องขยันมากพระพุทธเจ้าใช้ก็ให้ดูเนืองเนืองอเห็นกายในกายเนืองเนืองนี่ย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 ทำก็ซิทำไปกลา่าวนมาสการครับหลวงพอ่อะก็ฝึกปฏิบัติตามถูกแล้วละ่ะที่ที่ทํามาถูกแล้วลครับเออโอเคครับ อ, อมีการบ้านเพิ่มเติมไหมครับหลวงพอ่อทําบ่อยๆนะทำเนือง <c oughs> <ๆ>ขอบคุณครับะดูออกไหมล่ะว่าเราไม่เหมือนเดิมไม่ชัดครับนะรู้สึกไหมกายกับใจมันแยกกันได้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 ตัวนี้สำคัญกว่าว่ามันพูดอะไรนะตัวที่มันพูดอะไรคือไปตั้งใจฟังมันทีมานมันพูดแทรกเข้ามาเลยหลอกเราอย่างน้นอย่างนี้นะธรรมสอนกรรมฐ า, านเราด้วยนะเพี้ยนไปเลยนะงั้นอย่าไปฟังเสียงในใจให้รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเราเห็นความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับตัวนี้สำคัญกว่านะเชื่อพระพุทธเจ้า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 ปฏิบัติแล้วลดละกิเลสได้นะรู้เท่าทานกิเลสได้อ น, นั้นแหละเหมาะถ้าปฏิบัติแล้วกิเลสมากขึ้นอะไรย่างนี้ก็ไม่ดีหรือว่านานๆรู้ตัวได้ทีอย่างนั้นก็ไม่เหมาะทำไงที่สติจะเกิดได้บ่อยอ น, นั้นแหละดีไปดูเอาสินะสังเกตเอาทำกรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยแต่อย่าลืมหลักที่หลวงพ่อสอนนะ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 กระตุ้นให้จิตมันกระปรีก้กระเป่าขึ้นมันเฉื่อยไปนิดนึงค่ะก็ท้ายนี้ลูกกับขอขมาหลวงพ่อตออ่อความคิดอกุศลได้ทั้งปวงด้วยเออได้คิดอกุศลไม่เป็นไรอย่าตีกันเท่ากัน <laughs> <c oughs> แค่คิดไม่ว่าหรอก <laughs> นมัสการหลวงพ่อนะครับก็เคยไป น, น้ำมศการหลวงพ่อที่สวนชติธรรมนะครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําทุกวันนะครับก็เอ่อ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 แล้วก็เดินจงกรมส่วนให ญ, ญ่จะรู้สึกว่าตัวเองฟุ้งซ่านเยอะอรู้สึกไม่ห้ามเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูถ้าจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านจิตมันฟุง้ฟงเราเป็นคนดูต้องต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับต้องทําทําไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆสงบก<ๆ>็กทําไม่สงบก็ทำผมผมไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ติดยังไม่พอครับยังไม่พอขอบคุณครับขออนุญาตค่ะหลวงพ่อกำน้ำมัศการค่ะขออนุญาต